วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามสิบกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายหยุดทำงานทำการจึงเป็นวันสำหรับการที่จะมาปฏิบัติกิจของพระศาสนาได้ จึงถือว่าเป็นวันพระสําหรับท่านที่หยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะวันพระนี้ความหมายก็คือเป็นวันหยุดทํางานนี้เพื่อที่จะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ในวันหยุดของการทำงานของเราเราต้องถือว่าเป็นวันทำภารกิจทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับเพื่อเราเพื่อเป็นการพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาอันเลิศอันประเสริฐ ของพวกเราให้อยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆการที่พระพุทธศาสนาจะอยู่คู่กับโลกนี้ไปได้นานนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเสาหลักของพระพุทธศาสนาอยู่คำจุนพระศาสนา เสาหลักของพระศาสนาก็คือพระรัตนตรัยนี่คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาถ้าขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ถือว่ามีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้อีกแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีภาคของพระาศาสนาเช่นมีถาวรและวัตถุต่างๆมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระพุทธรูปและมีพระภิกษุก็ต่างสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญของพระพุทธศาสนาองค์ประกอบที่สำคัญที่พระพุทธศาสนาขาดไม่ได้ก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งในสามองค์นี้ถ้ายังมีอยู่ยังถือว่ายังมีพระพุทธศาสนา เพราะยังเป็นที่พึ่งของสา์โลกได้ยังเป็นที่ศึกษาปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ตอนนี้เราก็ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรายังมีพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกและมีพระ อริยสงสารของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะเผยแผ่สั่งสอนคำสอนอันประเสริฐเพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้จะได้รู้วิธีของการดับทุกข์ต่างๆว่าทำได้อย่างไรต้องมีของแท้เพระพระธรรมนี้ต้องเป็นของแท้ พระธรรมในพระไตรปิฎกนี้ถือว่าเป็นพระธรรมคำสอนของแท้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนจากพวกเราไปว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราศาสดาถ้ายังมีธรรมวินยัยอันประเสริฐอันธรรมวินัยที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้ยังอยู่ในโลกนี้ทรรมวินัยะ ที่ทรงตัดไว้ชอบนี่แล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้สลีละร่างกายของพระพุทธเจ้าจะถึงวาระสุดท้ายแล้วแต่องค์ศาระที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนนี้ยังมีอยู่ในยุคสมัยโบราณ ก็อยู่ในความท่องจำของพระภิกษุทั้งหลายต่อมาก็มีการบันทึกเอาไว้เป็นตัวอักษรบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้ถือว่าเป็นธรรมแท้ธรรมที่ผู้ศึกษาสามารถพึ่ ง, พ, งพึ่ง่งศึกษาเพื่อปฏิบัติ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อีกองหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่จะช่วยทําให้ผู้ที่ศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ก็คือพระอริยสงสารกทั้งหลายที่เรียกว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วจึงสามารถที่จะเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนี่แหละคือองค์ประกอบที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่พวกเราควรพยายาม ทำนุกบำรุงรักษากันอย่าให้สูญหายไปจากโลกนี้เพราะถ้าปราจากพระธรรมคำสอนคือพระไตรปิฎกหรือปราจากพระอริยสงสาวกแล้วพระพุทธศาสนาก็จะมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อเปลือกของพระพุทธศาสนาก็คือทาวลวัตถุต่างๆ ที่เราช่วยกันสร้างกันด้วยการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระาศาสนาความจริงเป็นเพียงเปลือกของพระาศาสนาเท่านั้นไม่มีฐานวรวุตุต่างๆก็ไม่ได้ลบล้างการมีพระพุทธาศาสนาแต่อย่างใดเช่นในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระาศาสนา ใหม่ๆไม่มีถาวลและวัตถุ อ, อะไรเลยมีแต่พระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระปัญจวัคคีย์ห้ารูปที่นั่งฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ฟังธรรมแล้วครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองตามลำดับพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวก์ขึ้นมา ทำให้มีองค์พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคาสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงและมีพระอรหันตสาวกผู้ที่ได้บรรลุทำอันเปรฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนา ม, มามาเผยแผ่และหลังจากนั้นพระอรหันและพระพุทธเจ้าหกรูปนี้ ก็แยกทางกันไปนำเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจก็ปรากฏมีผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติและบรรลุเป็นพาาาระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพียงระยะเจ็ดเดือนแรกนี้ก็ปรากฏมีพระ อาหารหันตสาวลกอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชาเจ็ดเดือนหลังจากวันเพ็ญเดือนแปดวันเพ็ญเดือนแปดที่ผ่านมานี้พอนับต่อไปถึงวันเพ็ญเดือนสาม ก็จะได้เวลาก็จะได้เวลาเจ็ดเดือนด้วยกันเจ็ดเดือนนี้ปรากฏมีพาาาระอรหันตสาวกอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อห้าสิบเป็นผู้ที่พร้อมที่จะนำธรรมันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อีกเป็นจำนวนมากมาย ยุคแรกแรกของการเผยแผ่ธรรมะนี้เป็นยุคที่เจริญที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเราวัดความเจริญของพระพุทธศาสนาที่ตรงไหนเราก็วัดที่จำนวนของพระอรหันตสาวกนี่เงเพราะว่าพระอรหันตสาวกนี้ทุกรูปสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปได้สามารถนาเอา ความรู้ที่ได้เรียนรู้นี้ไปสอนให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในยุคนั้นไม่ปรากฏว่ามีโบสถ์มีเจดีย์มีถาวรวัตถุอะไรต่างๆส่วนใหญ่พระในยุคนั้นจะอยู่กานตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผา อยู่ตามป่าช้านั่นแหละคือที่ตั้งของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงถ้าพูดถึงทางด้านวัตถุแต่ทางด้านจิตใจนี้ตั้งอยู่ในใจของพระอลหันตสาวุอยู่นั้นจะมีธรรมะมากมายให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่และได้หลุดพ้นกันเป็นจำนวนมาก นี่คือองค์ประกอบของพระศ า, าสนาถ้าเราอยากจะดูความเจริญของพระศ า, าสนาหรือการเสื่อมของพระศ า, าสนาขอให้เราดูตรงพระอริยสงสาวกเพราะว่าพระอริยสงสาวุกนี้จะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ได้อย่างชัดเจนและตรงเป้าที่สุด ตองยิ่งกว่าพระธรรมของคำสอนที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้มีคำสอนมากมายผู้ศึกษาบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปศึกษาที่ไหนก่อนอะไรก่อนแต่ถ้าได้ศึกษากับพระอริยสงสาวกท่านจะสอนตรงเป้าเลยไม่ต้องเสียเวลาให้ไปเรียนพระไตรปิฎก แต่ถ้าไม่มีพระรยาสงสารกก็ต้องใช้พระไตรปิฎกเป็นผู้สั่งผู้สอนก็ต้องใช้เวลาค้นคว้าศึกษาและวิเคราะห์ดูว่าจะต้องปฏิบัติอะไรก่อนหลังอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าพระไตรปิฎกไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพาาระอรหันตสาวกแล้ว พระพุทธาสนพวกนี้ทําหน้าที่ในการสั่งสอนได้ดีกว่าได้รวดเร็วกว่าแม่นยํากว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะคํำนึงถ้าเราอยากจะให้มีพระพุทธอยากให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเรามาสร้างพระอาหารหันต์กันดีกว่าเราอย่าไปสร้างพระพุทธรูปเลย สมัยนี้สร้างกันองค์ลหลายหลายล้านหลายร้อยล้านสร้างองค์ใหญ่เท่ากับตกระฟ้าคิดว่าการสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตอย่างนี้จะทำให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่ารายกาบพระพุทธรูปต่างๆพระพุทธรูปจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่าจะสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเราได้หรือเปล่า สอนไม่ได้เพราะพุทธรูปเป็นเพียงวัตถุนั่นเองเป็นเพียงวัตถุที่ไม่สามารถสื่อความหมายต่างๆให้กับเราได้อันนี้ขอให้เราอย่าหลงประเด็นกับการสร้างถาวรรวัตถุเกินเหตุเกินผลเกินความจำเป็นถาวรวัติที่มีความจำเป็น ก็คือที่พักที่อยู่อาศัยของพระหรือของผู้ปฏิบัติธรรมผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมและที่ประชุมที่เราเรียกว่าศาลาไว้สำหรับทากิ จ, จกรรมต่างๆที่จำเป็นเช่นการขบฉันการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับเรื่องถาวรวละวัตถุต่างๆ เอาเวลามาสร้างพระแท้กันดีกว่าสร้างพระแท้ในตัวเราก่อนไม่ต้องไปสร้างพระแท้ที่อื่นเนาะเพราะว่าไม่มีใครสร้างพระให้กับใครได้พระแท้นี้ต้องสร้างกันเองต้องสร้างด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัตินี่คือสิ่งที่จะทำให้พุทธศาสนา นี้อยู่กับโลกไปได้นานๆก็คือการปรากฏขึ้นของพระอาหารหันตสาวกนี่ถ้าไม่มีพระอาหารหันตสาวกหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วถึงแม้จะมีพระไตรปิฎกอยู่ก็จะยากต่อผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันตได้แต่ก็เป็นไปได้อยู่ แต่ถ้าไม่มีคนศึกษาไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติต่อไปแม้แต่พระไตรปิฎกก็จะหมดสภาพไปเพราะไม่มีใครสนใจถึงแม้จะมีอยู่ก็าตามอย่างชาวพุทธเราเนี่ยถามตัวเราเองว่าเคยอ่านพระไตรปิฎกกันบ้างเราเป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิดมานี่ยเยอ่านตำราที่พระเจ้าได้ทรงเขียน ที่ได้ทรงแสดงไว้ให้พวกเราได้ศึกษากันมีการอ่านบ้างไหมมีการศึกษากันบ้างไหมแทบจะไม่มีกันเลยมีแต่ซื้อตู้พระไตรปิกมีแต่ซื้อพระไตรปิกใส่ตู้แล้วก็นำมาไปถวายวัดต่างๆแล้วก็ไปตั้งอยู่ในโบสถ์ตั้งอยู่ในเจดีย์ตั้งอยู่ในห้องสมุดแต่ไม่มีใครเข้าไปศึกษาไม่มีใครเข้าไปอ่านกัน อันนี้ก็เปลี่ยบเหมือนกับไม่มีพระไตรปิฎกถึงแม้จะมีแต่ถ้าไม่มีการศึกษามันก็เหมือนกับไม่มีนั่นเองเพราะพระไตรปิฎกนี้มีไว้เพื่อให้เราได้ศึกษากันให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทําอะไรกันซึ่งในพระถ้าจะศึกษาจริงๆก็ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาทั้งหมดทั้งตู้หรอกมีพระสูตรสําคัญสำคัญอยู่สี่ห้ข้อสูตรเท่านั้น ละสูตรแรกที่สําคัญก็คือมองคลลสูตรเนี่ยมงคลสาสิบแปอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงวิธีการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นพระนิพพานคือขั้น38แเนี่ยแต่ละขั้นจะยกระดับการปฏิบัติให้สูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันนี้อันนี้ก็เป็นเพียงพระสูตรหนึ่งที่ทรงสแสดงแนวทางเอาไว้แต่รายละเอียดของแต่ละขั้นนี้อาจจะต้องไปค้นคว้าดูว่าขั้นที่หนึ่งนี้ให้ทำอย่างนี้เช่นไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิตทำยังไงต้องไปศึกษาว่าคนพาลเป็นยังไงบัณฑิตเป็นยังไง ก็จะมีพระสูตรอื่นๆที่จะมาเสริมความเข้าใจให้เกิดขึ้นอันนี้ถ้าเราไม่มีผู้ที่จะสอนเราถ้ามีผู้ที่จะสอนเรานี้บางทีเราก็สามารถไปศึกษาไปถามท่านได้โดยตรงก็จะได้ความรู้อย่างรวดเร็วและสามารถนำมาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเสาหลักของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตอนนี้เสาหลักที่สําคัญก็คือพระอริยสงสาวกโดยเฉพาะพระอาหารหันตาสาวกผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วผู้ที่จะเป็น เป็นผู้ที่จะสามารถที่จะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้อยู่กับคู่กับโลกนี้ไปได้อีกยาวนานถ้ายังแล้วก็การที่จะมีพระอาหารหันต์ได้นี้ก็จาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นำเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมา น, นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะทําความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางกันอย่าไปหลงคิดว่าเราไปสร้างวัดใหม่กันไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ับสร้างอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้มีวัดไทยไปอยู่ต่างประเทศหลายสิบประเทศแล้วไปสร้างกันแต่แต่ตละวัดนั้นมีพระอาหารหันต์ แม้แต่วัดเดียวหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่มีใครสอนในการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ก็มีแต่เปลือกตอนนี้เรามาส่งเสริมการสร้างเปลือกของศาสนากันไม่ได้สนใจต่อการสร้างเนื้อของศาสนาทุเรียนมันจะลูกใหญ่ขนาดไหนถ้าไม่มีเนื้อมีใครอยากจะซื้อมากินไหมมีแต่เปลือก เรากินเปลือกทุเรียนหรือเรากินเนื้อทุเรียนเรากินเนื้อทุเรียนกันศาสนาพุทธก็เหมือนกันเราต้องกินเนื้อของศาสนาเราอย่าไปกินเปลือกของศาสนาเราอย่าไปส่งเสริมเปลือกของศาสนาสร้างถาวรและวัตถุกันสวยงามมีวัดใหญ่โตมีโบสถ์เจดีโมโหรานมีพระพุทธรูป อง์โตโตแต่เหล่านี้ไม่สามารถสอนให้ผู้สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มาส่งเสริมการศึกษามาส่งเสริมการปฏิบัติจะดีกว่ามาผลิตพระอาหารหันตสาวกันซึ่งพระพุทธเจ้าก็ส่งผลิต เป็นจำนวนมากมายอย่างง่ายดายไม่ใช่เป็นของยากเย็นเลยอยู่ที่ว่าจะมีความรู้ความสามารถที่จะสอนหรือไม่เท่านั้นเองที่มีถ้ามีความรู้ความสามารถแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีนักศึกษานักศึกษานี้จะมาหาเองไม่ต้องวิ่งไปหานักศึกษาดูสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีชื่อเสียง เขาไม่ต้องไปวิ่งไปวิ่งงาะขอให้นักศึกษามาศึกษาเขามีแต่นักศึกษามาแข่งขันสอบเข้าสถาบันการศึกษาของเขาเพราะนักศึกษารู้ว่าถ้าได้เข้าสถาบันนี้แล้วจะได้เรียนรู้ความรู้ที่ดีที่สามารถนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและกับผู้อื่นได้นั่นเองสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียงนี้เขาไม่ต้องไปหานักศึกษามีแต่นักศึกษานี้ต้องวิ่งเข้าหาแข่งขันกันสอบเพื่อที่จะให้เข้าไปเรียนหนังสือเรียนหาความรู้วิชาความรู้ต่างๆอยู่ที่ผู้สอนถ้ามีผู้สอนที่เก่งที่ฉลาดที่สามารถให้ความรู้กับผู้เรียนได้แล้วไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีนักเรียนมาเรียน คนที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้มีมากมายแต่ขาดคนที่สอนวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กับเขาได้อย่างถูกต้องแม่นยำเท่านี้จึงทาให้เขานี้ยังต้องค้นคว้าต้นหาครูหาอาจารย์กันอยู่ไปเรื่อยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นการสร้างพระอาหารหันต์กัน เรวเน้นการสร้างพระพุทธรูปกันเพราะคิดว่าพระพุทธรูปนี้ยิ่งใหญ่กว่าพระอะไรจริงอยู่ถ้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกคือพระพุทธเจ้าพระสาวกนี้เป็นสาวกเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้เรียนจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งแต่หลังจากที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วนี้ ก็ต้องอาศัยพระอาจารย์ตสาวกเป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นผู้ที่รู้ธรรมะเท่ากับพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าความสามารถในการสั่งสอนอาจจะไม่เก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ก็สามารถสอนให้ผู้ได้บรรลุเป็นพรนะอาจารย์ตสาวกกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันได้ดังนั้นแทนที่เราจะไปเน้นการ สร้างวัตถุสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรสวยๆงามๆต่างๆเรามาเน้นการสร้างพระดีกว่าพระทางพระพุทธศาสนานี้เกิดจากการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดจากการนําเอาเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติกันปฏิบัติแล้วไม่นานก็จะปรากฏมี พระอริยบุคคลขั้นต่างๆปรากฏขึ้นมาตามลำดับของการปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดแล้วเมื่อมีพระอริยบุคคลระดับต่างๆมาช่วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนก็จะทำให้เกิดมีนักศึกษามาศึกษามาปฏิบัติเพิ่มกันขึ้นมากๆ ม, ม, มากขึ้นไป แล้วก็จะทำให้มาปรากฏมีพระอริยบุคคลเพิ่มขึ้นไปตามลำดับนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราพวกเราชาวพุทธควรที่จะเ น, น้นกันก็คือการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ ธ, ธรรมและหลังจากบรรลุ ธ, ธรรมแล้วก็การเผยแผ่ธรรมนำธรรมที่ได้บรรลุมานี้ ที่ได้รู้ได้เห็นแล้วนี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะรู้อยากจะหลุดพ้นต่อไป <Yeah. S 1> ถ้ามีการกระทำสี่ประการนี้แล้วพระพุทธศาสนานี้จะอยู่กับโลกไปได้เป็นเวลายาวนานถึงแม้จะไม่มีโบสถ์ไม่มีพระพุทธรูปใหญ่โตไม่มีท้าวาวัตถุต่าง มาอวดชาวบ้านว่าวัดฉันสวยวัดฉันงามแต่ถ้ามีพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบพระอริยสงสาวกก็จะมีที่พึ่งทางใจกันจะมีที่ดับความทุกข์การที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนานี้เป้าหมายก็คือเพื่อดับความทุกข์ทางใจของพวกเราการสร้างพระอรหนันต์นี้เป็นการ ดับความทุกข์ไปในตัวเพราะว่าผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันหตสาวกนี้จะเป็นผู้ที่ได้กำจัดความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของท่านให้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อท่านรู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วท่านก็สามารถนำาม า, มาสอนมาบอกให้ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้แหละคือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือการสอนให้ผู้ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์นั่นเองไม่ให้ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ให้มีความทุกข์อะไรอยู่ในใจเลยไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลความห่วงใยความหวาดกลัวความเครียด ความซึมเศร้าความซร้อยเศร้าหงอยเหงาความว้าเวความอะไรต่างๆที่ไม่ดีที่มีในใจนั้นจะหายไปหมดเลยถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วนี่แหละคือหน้าที่ของพระพุทธศาสนาและการจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องมี ผู้ที่มาสอนตอย่างต่อเนื่องนั่นเองต้องมีมีพระอารหันตสาวกมาเป็นอาจารย์มาเผยแพ่คำสอนมายืนยันว่าคำสอนต่างๆในพระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องใช้เป็นประโยชน์ได้เพียงแต่ว่าถ้าต้องศึกษาค้นคว้าเองนี้จะจะใช้เวลานานเพราะไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนดี ให้รู้ว่าขั้นไหนมาก่อนขั้นไหนมาหลังไม่เหมือนกับผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วจะรู้ดีว่าขั้นไหนมาก่อนขั้นไหนมาหลังจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่างนั้นขอให้พวกเรามาเน้นการสร้างพระกันขึ้นมาก่อนและพระองค์แรกที่เราต้องสร้างก็ไม่ใช่ใครก็ตัวเราเองนี่แหละเราต้องเป็นพระขึ้นมาก่อนเราต้องเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คำว่าพระนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องผมผ้าเหลืองกนหัวพระนี่หมายถึงพระอริยบุคคลซึ่งพระอริยบุคคลนี้มีได้ทุกเพศทุกวัยมีทั้งคารวะผู้คลองเรือนมีทั้งพระนัก บ, บวชมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยอันนี้ สามารถเป็นพระกันได้ทุกคนถ้าศึกษาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเองก็ถือว่าได้เป็นพระกันแล้วพอบรรลุเป็นพระโสดาบันเห็นไหมก็มีพระนําหน้าแล้วไม่เรียกโสดาบันเฉยๆเรียกว่าพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ตามลําดับอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ ที่จะกำจัดความทุกข์แต่ละขั้นให้หมดไปจากใจ mm. เมื่อบรรลุเมื่อบรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วก็ถือว่าได้เรียนจบแล้วเมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถเป็นอาจารย์ได้ mm. เหมือนกับการเรียนทางโลกก็เช่นเดียวกันนักศึกษาที่ไปเรียนตามมหาลัยต่างๆพอจบได้รับปริญญา ก็มีความสามารถที่จะเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นให้ให้จบปริญญาได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าผู้นักศึกษายังไม่จบปริญญานี้ก็จะไม่สามารถที่จะไปสอนให้ผู้อื่นจบปริญญาได้เช่นเดียวกับทางพระพุทธศาสนาผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติอยู่นี้ถ้ายังไม่ได้บรรลุขั้นพระอริยบุคคล น, นี้ ก็อย่าเสียเวลาไปกับการสั่งสอนผู้อื่นเลยเพราะว่างานของตนเองยังทำไม่เสร็จสิ้นทำงานของตนให้เสร็จสิ้นก่อนดีกว่าแล้วก็ไปสอนให้แก่ผู้อื่นไดจะสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสอนแบบครึ่งขึ้นกลางๆเช่นสมมติว่าเราได้ปฏิบัติเราเข้าสมาธิเป็นเข้าอัปปนาสมาธิได้ อย่าหยุดปฏิบัติปฏิบัติต่อไปให้ได้อริยมรรยาผ ล, ยลยอย่าไปสอนคนอื่นอย่าไปสอนวิธีนั่งสมาธิให้กับคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ไม่ควรทำเพราะจะทำให้ขวางการเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติเองเพราะถ้ามัวเอาแต่เวลาไปสอนผู้อื่นแล้ว จะมีเวลาเอาเวลามาปฏิบัติต่อได้อย่างไงก็จะติดอยู่ที่ขั้นสมาธินั้นก็จะสอนแต่เรื่องของสมาธิให้กับผู้ที่มาศึกษาแล้วผู้ที่ศึกษาก็จะได้ความรู้แค่ระดับสมาธิเท่านั้นเองไม่สามารถข้ามไปสู่ระดับโลกุตละธรรมคือระดับปัญญาระดับอริยมรรคอริยผลได้ พราะผู้สอนอยังไปไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะสอนได้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องต้องพยายามปฏิบัติไปให้ถึงขั้นสูงสุดก่อนดีกว่าที่จะมาสั่งสอนผู้อื่นเพราะถ้าไม่ทัดไม่เช่นนั้นตอนนี้ก็ยังจะต้องติดอยู่ในกองทุกข์ต่อไปยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเรื่อยๆอันนี้ เรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติขอให้เราศึกษาและปฏิบัติจนเราสำเร็จภารกิจของเราแล้วได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราจะสอนใครไม่สอนใครก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้ามีนักเรียนมาศึกษาก็สอนเขาไปถ้าไม่มีนักศึกษาไม่มีใครสนใจมาสมัครเรียนก็ไม่ต้องสอนเขาก็ได้ ไม่ต้องไปไปตามคนนั้นตามคนนี้มานั่งฟังเทศฟังธรรมอันนี้ไม่ใช่แนวทางของาศาสนาพุทธาศาสนาพุทธนี้จะไม่บังคับให้ใครมาศึกษาแต่อาจจะมีการชวนเชิญมีการบอกว่ามีการแสดงธรรมที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานี้ถ้าใครสนใจจะศึกษาก็มาศึกษากันคนที่ สนใจมาศึกษาแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์คือดับความทุกข์ต่างๆได้ก็จะมีศรัทธามีความสนใจที่จะมาศึกษาอย่างต่อเนื่องเองโดยที่ไม่ต้องมีการเชื้อเชิญหรือมีการบังคับแต่อย่างใดถ้าเป็นธรรมที่ เขาสามารถนำมาไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับใจของเขาได้แล้วเขาจะมาเองเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะไม่ได้เป็นอาจารย์เราจะไม่ได้มีนักเรียนนักศึกษาถ้าเรายังไม่เสร็จงานของเราอย่าพึ่งไปสอนไทยจะดีกว่าเอาเวลาที่ไปสั่งสอนคนอื่นนี้มาสั่งสอนตัวเราเองต่อไป พอยังมีสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้ยังต้องศึกษาต้องปฏิบัติต่อไปโดยจากขั้นสมาธิแล้วเราก็ยังต้องไปขั้นปัญญาต่อไปไปศึกษาเพื่อละสังโยชน์ทั้งสิที่เป็นบ่วงที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในใต้ภพนั่นเองถ้าได้สมาธิแล้วชํนานาญในสมาธิแล้วก็ไปพิจารณาทางปัญญาต่อไป ละสังโยชน์ต่างๆสังโยชน์ที่ต้องละนี้มีสิบข้อด้วยกันแบ่งเป็นสองระดับระดับล่างระดับบนระดับล่างก็เรียกสังโยชน์เรื่องต่าระดับบนเรียกสังโยชน์เรื่องสูงแบ่งเป็นสองขั้นสองสองระดับระดับแรกนี้จะเป็นระดับของ ของพระ อ, อริยบุคคลสามขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิรดาคามีขั้นพระ อ, อ, อนาคามีพระโสดาบันนี้ก็จะละสังโยชน์สามข้อแรกสังโยชน์นี้มักจะมาเป็นชุดๆ ช, ชุดที่หนึ่งก็คือสามข้อแรกได้แก่สกายทิฐิ ความเห็นตัวตนในร่างกายในความรู้สึกนึกคิดที่เรียกขันห้าแล้วก็ความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสะมามศีลปัพตาปัลมาคือการรูปคำศีลคือความไม่มั่นใจว่าการรักษาศีลนี้มีประโยชน์จริงหรือไม่มีคุณจริงหรือไม่อันนี้จะไม่มั่นใจ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันถ้ามีอะไรมาหลอกมาล่อมีเงินมีทองมาหลอกมาล่อให้ไปทําผิดศีลก็อาจจะไปทําแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ทําโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะมีอะไรมาหลอกมาล่อ ก, ก็ตามอันนี้เป็นเรื่องของสังโยชนวิธีละสังโยชนสามข้อแรกนี้ก็ ให้พุ่งเป้าไปที่ข้อข้อแรกคือสกายทิฏฐิให้เราพิจารณาขันห้าให้เห็นว่าเป็นตายรักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาขันห้ามีห้าข้อห้าอย่างคือรูปประขันรูปประขันนี้ได้แก่ร่างกายของเราเนี้ที่เรามองเห็นกันนี้เรียวกว่ารูปประขันมีมีอาการสาสบสองเป็นส่วนประกอบ เอ็นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันอาการทั้งสามสิบสองนี้ถ้าแยกมันออกมาเป็นชิ้นๆแล้วจะหาตัวตนไม่ได้ขนนี่มีตัวตนไหมผมนี่มีตัวตนไหมเล็บนี่มีตัวตนไหมฟันมีตัวตนไหมหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีตัวตนไหมลองแยกออกมากองๆดูสิลองมาชำแหละแยกร่างกายอาการสามสิบสองดูแล้วถามมันว่า ตัวตนอยู่ตรงไหนอยู่ในผมเหรอหรืออยู่ในขนอยู่ในเล็บมันไม่มีนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายคือรูปปัจจานี้มันเป็นธรรมชาติที่ทํามาจากธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟธาตุสี่เราเข้าอยู่ตลอดเวลาลมนี่ธาตุลมเราก็เอาเข้าตลอดเวลาหายใจเข้าเอาลมเข้าเอาลมดีเข้า ไปแรกกับลมไม่ดีลมที่เป็นพิษเราก็หายออกมาเอาลมที่สะอาดบริสุทธเข้าไปเพราะว่าร่างกายจะอยู่ได้ น, นี้ต้องมีธาตุลมที่สะอาดบริสุดและเช่นเดียวกับธาตุน้ำเราก็ดื่มน้ำเนีให้มันเอาน้ำมาตั้งเป็นแพกเป็นกองอย่างนี้เอาเอาน้ำที่สะอาดเข้าไปในร่างกายเพื่อขับถ่ายน้ำที่สกปรปกออกมาเป็นการ เสริมธาตุเรียกว่าเป็นการเสริมธาตุธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็อาศัยแสงอาทิตย์ความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็อาศัยความร้อนที่ได้จากภายในร่างกายเองร่างกายนี้ก็จะผลิตความร้อนถ้ามีธาตุทั้งสี่มาผสมกันหรือเมื่อมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมมาผสมกันก็จะเกิดธาตุไฟขึ้นมา เราก็ต้องกินธาตุดินเข้าไปข้าวนี้ก็มาจากดินข้าวนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุดินผักก็ถือว่าเป็นธาตุดิน mm. เนื้อสัตว์ต่างๆก็ถือว่าเป็นธาตุดินเนี่ยเราก็กินเข้าไปเ mm. ติมธาต์กันร่างกายนี้เป็นเป็นเป็นการเจริญเติบโตของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ mm. แต่ร่างกายนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยว เป็นของที่มันจะต้องมีวันเสื่อมหมดไปแยกสลายหายไปหมดพอธาตุลมหยุดเข้าไม่มีธาตุลมเข้าร่างกายก็จะหยุดทางานทันทีพอไม่มีธาตุลมเข้าก็มีจะจะมีแต่ธาตุออกมีธาตุลมออกไประเหยออกมาเป็นกลิ่นนี้มีธาตุน้ำไหลออกมาตามทวารต่างๆ ธาตุไฟก็ออกไปร่างกายของคนตายก็จะเย็นกว่าร่างกายของคนที่ไม่ตายร่างกายของคนตายยังมีธาตุไฟอยู่ยังมีความร้อนอยู่แต่ร่างกายของคนตายนี้ไม่มีความร้อนมันแยกกันออกไปสามธาตุแรกนี้ออกไปในที่สุดก็เหลือแต่ธาตุที่เหลืออยู่ก็คือธาตุดินธาตุดินก็คือส่วนที่แห้งกรอบ เนื้อหนังอวัยวะต่างๆแห้งกรอบกระดูกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้นานๆก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่ารูปประคันนี้ไม่มีตัวตนผู้ที่ไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ไม่ได้อยู่ในรูปประคันนี้แต่อยู่ในธาตุรู้ธาตุรู้คือจิตใจ ในจิตใจนี้ก็มีนามขันอยู่สี่อันด้วยกันที่ทำหน้าที่ให้แก่จิตใจแก่ธาตุรู้ก็คือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้รูปเสียฯงกลิ่นรสโผฏฐพะพที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายธาตุรู้นี่แหละคือใจเนี่ย ใช้วิญญาณเป็นผู้มาเชื่อมต่อกับร่างกายเป็นผู้ที่มารับข้อมูลจากร่างกายวิญญาณจะมาเกาะที่ตาเพื่อรับรูปเกาะที่หูเพื่อรับเสียงเกาะที่ลิ้นเพื่อรับรสเกาะที่จมูกเพื่อรับกลิ่นและเกาะทั่วทั่วสพางร่างกายเพื่อรับความรู้สึกที่มากระทบกับร่างกายแล้วมันก็ส่งเข้าไปที่ที่ ที่ใจใจก็จะมีสัญญาเป็นผู้แปลความหมายของรูปเสียงกลินลดว่าเป็นรูปเสียงกลินลดแบบไหนดีไม่ดีถ้าดีก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้าไม่ดีก็เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นกลางไม่ก็จะเกิดความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมา อันนี้เป็นการทํางานของธรรมชาตินะไม่มีใครไปสั่งไปบังคับมันมันทำเนี่ยพอพอตาพอรูปมากระทบกับตาปั๊บมันก็ส่งเข้าไปที่ใจผ่านทางวิญญาณวิญญาณก็ส่งให้สัญญาสัญญาก็ดูว่ารูปนี้เป็นใครวะเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นคนที่ยำเงินมาให้ถ้าเป็นเจ้าหนี้ก็หนีดีกว่าไม่สบายใจแล้วถ้าใครมาทวงนี่ แต่ถ้ามีคนเอาเงินมาให้นี่ก็ยิ้มเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเราควบคุมอารมณ์เหล่านี้ได้หรือเปล่าไม่ได้เราควบคุมเวทนาเหล่านี้ได้หรือเปล่ามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมันมันเป็นธรรมชาติมันมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันที่มันมีอยู่เป็นอยู่มันถึงทําให้เกิดการทํางานของนามขันนี้ พอรู้ว่ารู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เริ่มมีสังขารความคิดแล้วจะทำอย่างไรดีใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นสุขก็ดีสิก็เชิญเขาเขาจะเอาเงินมาให้เราเราจะไปไล่เขาเลยใช่ไหแล้วก็เชิญเขาสังขารก็ใช้ความคิดสั่งให้ร่างกายพูดสวัสดีเชิญเข้ามามีอะไรให้ช่วยหรือมีอะไรให้ทำบ้างแต่ถ้าเป็นเจ้านี่ก็อาจจะตอบไป อ, อย่างวันนี้ไม่ว่างกอ เดี๋ยวต้องรีบไปทุเละขอขอเวลาวันหนึ่งค่อยคุยกันได้ไหมอะไรทำนองนี้นี่ก็คือสังขารทางคิดปรุงแต่นี่แหละคือขันห้าที่เรากำลังอยู่กับมันตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราไปกลับกลับไปคิดว่าเราเป็นในทั้งทั้งขันห้านี้หมดเลยใช่ไหมเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราคิดว่าเราเป็นคนคิดเราคิดว่าเราเป็นคนรับรู้รูปเสียงกลิ่นรเราไปหมดเลยเนี่ย ไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวหลงมันเกิดขึ้นมาจากความหลงความไม่เข้าใจธรรมชาติของขันห่าวว่าเป็นอะไรกลับไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็เลยไปวุ่นวายกับขันห่าพอก็อยากจะรักษาขันให้อยู่กับตนไปนานๆเช่นร่างกายนี้ได้มาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆแล้วก็อยากจะให้มีแต่ความสุขมีแต่สุ ข, ขเวทนา ส่วนทุกขเวทนานี้ไม่อยากให้มันเกิดเช่นไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากติดโควิดกันเนี่ยตอนนี้เห็นไหมต้องใส่หน้ากากกันเพราะความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้เกิดทุกขเวทนากิดขึ้นมาไอตัวอยากตัวนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาที่สร้างความทุกขให้กับใจด้วยการหลงไปยึดไปติดขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราถ้าพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติ เป็นปรากฏการ์ทางธรรมชาติมันเกิดแล้วมันดับมันมจิงใดมีการเกิดจิงนั้นย่อมมีการดับไปธรรมดาไปอยากไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ดับไม่ได้ไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้มันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยที่มาสัมผัสจะให้สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ไม่ได้ไม่มีทุกขเวทนาไม่ได้ แต่ทำให้ใจไม่ทุกข์กับมันได้ทำให้ใจไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาได้ทำให้ใจไม่ทุกข์กับการดับของร่างกายได้ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันมันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่เราไปอยากไม่ได้อยากก็ไม่ได้ดังใจอยากให้มันไม่ตายก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บอาจจะป้องกันให้มันเจ็บน้อยได้อยู่ เจ็บน้อยเจ็บมากนี่อยู่ที่การดูแลรักษาร่างกายของเราแต่จะห้ามมันไม่ให้มันเจ็บอะไนี้ไม่ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอย่างนี้และเราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปกําจัดมันได้เราย่งก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันรู ป, ปรขันจะเกิดจะดับก็ปล่อยมันดับไปเวทนาจะสุขจะทุกข์ก็ปล่อยมันสุขมันทุกข์ไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันบ่อยมันมาปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเหมือนกับเราปล่อยดินฟ้าอากาศนี่แหละขันห้านี่ก็เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฝนตกแดดออกนี่เราไปห้ามมันได้ไหมไปสั่งมันได้ไหมแต่เราอยู่กับมันได้ไหมไม่เดือดร้อนใช่มมันมันเกิดก็เกิดฝนตกเราก็หาที่หลบฝนนั่นเอง มันรอนเราก็หาวิธีระบายถ้าเราระบายได้อาบน้ํหาห่อเย็นมามาลูปตัวหรืออะไรไปหรือไปหาที่ร่มหลบแดดอะไรก็ทําไปตามที่ทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องทําใจทําใจอยู่กับมันไปฉั้นเคล็ดลับของการที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆโดยไม่ทุกข์ก็คือการทําใจนี่ทําใจยอมรับกับความเป็นจริงของปรากฏการธรรมชาติต่างๆ ฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมภัยจะแรงภัยแรงอะไรต่างๆอากาศจะร้อนรุ่นหนาวเราก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปถ้าเราทำใจได้ใจเราจะไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าร่างกายมันจจะตายไปเพราะปรากฏการณ์หลังนี้มันก็เป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องเป็นอยู่ดีร่างกายของทุกคนไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องถึงแก่ความตายอยู่ดี มันก็เป็นปรากฏการธรรมชาติของมันอยู่นั่นแหละร่างกายก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันที่เกิดแล้วก็ต้องดับไปธรรมดาถ้าเราเราพิจารณาด้วยด้วยธรรมในแนวตายรักแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างนั้นเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงผันแปรอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนแปลงผันแปรเราก็เรียกว่าอนิจจ์อนัตตาก็เรียกว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับ ไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็สร้างความทุกข์ให้กับใจผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะไม่ให้เกิดความทุกข์ใจก็จะรู้ว่าความทุกข์ของตนเองนี้เกิดจากความอยากของตนเองเท่านั้นเองไปอยากให้ปรากฏการธรรมชาติเป็นไปตามความต้องการของตนซึ่งมันขัดกับหลักความเป็นจริงอยากให้มันไม่แปลปวนห้ามไม่ได้อยากให้มันอยู่ภายใต้คาสั่งของเรา ทังไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราเข้าใจหลังนี้แล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกในใจของเราเกิดขึ้นเพราะความอยากของเรานี่อยากให้ขันห้าเป็นไปตามความต้องการของเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากแต่ให้มีแต่ความรู้สึกสุขตลอดเวลาไม่ให้มีความรู้สึกทุกเกิดขึ้นเลยอันนี้มันห้าไม่ได้ยอมรับความจริง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากแล้วทุกข์นี้จะหายไปเมื่อเรายอมรับความจริงละความอยากด้วยการเห็นความเป็นจริงของขันห้าว่าเขาเป็นอันนี้จังทุกขนันอนาตตาพอ เ, เห็นแล้วก็หยุดหยุดที่จะไปควบคุมบังคับมันดูแลมันได้แต่ไปฝืนมันไม่ได้ตอนดูแลได้ก็ดูไป มันหิวมีหาอาหารมาให้มันกินได้ก็หามาให้มันกินหิวน้ำก็เอาน้ำมาให้ดื่ดทำอะไรที่เราพอจะทำได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้มันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามปรากฏการของมันถ้ามันจะตายก็ต้องให้มันตายไปถ้ามันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปอันนี้ผู้ที่เข้าใจแล้วจะไม่ทุกข์กับเรื่องของการแ ป, ปลปวนของขันห้าคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากไปยุ่งกับขันห้านั้นเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้ว เ, เราไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปยุ่งกับเขาเราไปแบกเขาเองไปแบกเขาว่าเป็นเป็นตัวเราของเราจะต้องสุขอย่างเดียวจะต้องอยู่ยาวอยู่อย่างยาวนาะนไม่มีวันตาย ấy. อันนี้เราไปสร้างทุกข์ขึ้นมาด้วยความอยากของเรา ấy. เราก็จะเห็นอริยสัจสีได้อย่างชัดเจนจากการวิเคราะห์ขันห้านี้ว่าเป็นอย่างไรเ mm. มื่อเราเห็นเราก็เราก็เมื่อเราเห็นตายละ ก, ก็เท่ากับเรามีปัญญามีมรรค ม, มีมรรคที่จะละสมุ ท, ทยัยคือความอยากต่างๆเราก็จะหยุดอยากหยุดแล้วไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับร่างกายแล้วมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายก็ต้องยอมรับมันปลยมันไป พอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เคยมีเกี่ยวกับเรื่องขันห้าก็จะหายไปหมดใจก็จะเย็นจะสบายนิ่งเฉยเป็นอุบเบกขาอยู่กับการแปรปรวนของขันห้าได้อย่างสบายไม่วุ่นวายร่างกายจะเจ็บบ้างจะทุกข์บ้างก็เป็นเรื่องของมันมันหิวเดี๋ยวมันก็หายหิวมันเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายเจ็บ เป็นอ น, นิจจังทุกอย่างมันแปลไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปทุกอย่างมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นธรรมดาพอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่เป็นความจรงิงนั้นพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยก็รู้แล้วนี่ว่าธรรมนี้มาจากใคร ก็มาจากพระพุทธเจ้าถ้าเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่ที่แสดงอยู่ในใจก็ต้องเชื่อว่าคนที่คนที่เอามาสอนนี่ต้องมีจริงไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครเนรมิตกันขึ้นมาคนที่สอนอริยสัจ ส, สี่ก็คือพระพุทธเจ้านี่เองงั้นถ้าใครเห็นอริยสัจ ส, สี่อย่างชัดเจนในใจก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือเปล่าและพระอริยสงสากก็ไม่ใช่ใครที่ไหน คนที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอาริยะบุคคลพระโสดาบันผู้ที่พิจารณาจนเห็นว่าขันหานี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาดัางที่พระอัญญาณโกนธัญะญได้เปล่งวาจาว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ดับไม่ได้จะช้าหรือจะเร็วเนทะ่านั้นเขาจะต้องดับถ้าไปอยากให้เขาไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนี่คือความเมืม่อพิจรารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นกฎแห่งกรรมว่าเห็นว่าเนี่ยใจทุกข์เพราะความอยากแล้วก็เห็นด้วยว่าความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปก็ความทุกข์อีกอย่างก็คือทุกข์ที่เกิดจากการทําบาป เวลาเราไปทำบาปเราไปทำร้ายผูนทำให้เขาเสียหายเห็นเขาทุกข์เราก็จะทุกข์เราเราก็จะกลัวผลกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราสร้างความทุกข์ให้กับใครทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเราไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใครก็จะไม่มีใครมาสร้างความทุกข์ให้กับเราอันนี้ก็จะเห็นว่าการรักษาสินนี่การไม่ทำบาปนี้เป็นสิ่งที่ที่ ที่จําเป็นที่จะต้องทําโดยอัตโนมัติพาเรียะบุคคลทุกรูปจึงไม่มีการทําบาปกันเพราะเห็นว่าการทําบาปนี้เป็นการทําร้ายตนเองเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองนั่นเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถึงแม้จนได้ไปไปขโมยเงินมาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนี้ก็เกิดความทุกข์ใจต้องคอยลหลบหนีตํารวจนะเงินที่เป็นหมื่นเป็นแสนมนให้ความสุขดับความทุกข์ใจได้หรือไม่ดับไม่ได้ แต่ศีลนี่ดับได้ถ้าคิดอยากจะไปขโมยเงินคนอื่นแล้วมีศีลห้าก็ไม่ทำซิอย่างเดียวพอไม่ทำบาปไม่ไปขโมยเงินของคนอื่นแล้วทุกข์ในใจก็จะไม่เกิดความหวาดกลัวก็จะต้องถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางมันก็จะไม่เกิดไม่ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆหวาดระแวงมองเห็นใครเดินมาก็คิดว่าเป็นตำรวจก็ใจสะนุ้งผวาขึ้นมานะแล้วจะเห็นว่าความทุก เกิดจากการทําบาปต่างๆพระระยะบุคคลจึงไม่ลูกคําในศีเนี่ยันจะรู้ว่าทุกเกิดในใจเกิดจากการทําบาปต่างๆการก็เลยไม่ทําบาปเนี่ยทาละทาละข้อแรกได้ข้อสองข้อสา ม, มันจะตามมาโดยอัตโนมัติเพราะใจผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงใจจะเห็นเห็นเห็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการ มีความอยากต่างๆสองเกิดจากการทำบาปก็เลยไม่สงสัยไม่รูปคำในเรื่องศีลไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดไม่ต้องไปสมาทานศีลด้วยไม่ต้องไปขอศีลจากใครเพราะว่าศีลมันอยู่ในตัวเราเองคนรักษาก็คือเราไปบอกคนอื่นว่าเราจะถือศีลห้าแล้วเขาจะมารักษาเราได้หรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมไปบอกทำไมเสียเวลาเป่าอย่างก็ ที่เขาที่ใครไปขอสินนี่หมายถึงให้ไปถามว่าสีนมีอะไรบ้างสําหรับคนที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าสีนห้ามีอะไรก็ไปถามพระไปขอศินนี่คือความหมายแต่ทุกวันนี้แปลกันไปเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะทุกครั้งยารักษาสีลต้องไปขอสินจากพระก่อนไม่หรอกถ้าเรารู้แล้วเราก็รักษาไปสิต้องไปรบกวนพระเสียเวลาทําไมสินใครสินมันเราก็รักษาสีนของเราไป เช่นวันนี้เราอยากจะรักษาศีแลแปดเราก็รักษาไปไม่ต้องไปขอจากคนนั้นขอจากคนนี้เลยคนนั้นคนนี้เขามีศีลให้เราหรือเปล่าไม่มีหรอกศีลใครศีลมันมีแต่ความรู้เกี่ยวกับศีลนั้นนั้นเองถ้าไม่รู้ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างก็ไปถามได้ถ้าไม่รู้ว่าจะรักษาข้อนี้รักษาอย่างไรก็ถามได้อันนี้คือการขอศีลขอความรู้ขอวิธีการรักษาศีลที่ถูกต้องว่ารักษาอย่างไรให้ไปขออย่างนี้ ไม่ให้ไปขอศีลจากพระพระศีลใครศีลมันถ้าพระให้ศีลโยไปพระก็ไม่มีศีลเหลืออยู่เลยพระก็ไม่เป็นพระต่อไปอันนี้ดังนัผู้ที่รู้ว่าศีลอยู่ที่ไหนแล้วไม่ต้องไปขอใครอย่างที่พระระยะบุคคลทั้งหมดถ้าท่านรักษาศีนข้อเดียวท่านรักษาใจของท่านนั่นเองรักษาใจของท่านให้สงบไม่ให้โลภไม่ให้อยากไม่ให้ไปทําบาปก็อยู่ที่นี้เท่านี้ จะทำอะไรมันก็จะรู้ขึ้นมาทันทีว่าบาปหรือไม่บาปถ้าบาปใจมันจะร้อนขึ้นมาทันทีถ้าไม่บาปมันก็จะไม่ร้อนนี่คือเรื่องของการละสังโยชน์ขั้นต่างๆซึ่งขัข้นแรกของพระโสดาบันก็ละสองสามข้อดยกันมาเป็นพวงถ้าละข้อที่หนึ่งสักตญ า, าทิฐิได้ข้อสองข้อสามมันก็จะปรากฏขึ้นมาเอง แล้วต่อไปก็มีอีกสองข้อที่เป็นละมาคู่กันก็คือการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะก็คือความอยากเสพกามนี่ความอยากร่วมร่วมหลับนอนกับผู้เสพกามเวลาเกิดกามความอยากเสพกามก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาใจขึ้นมาก็ต้องละอันนี้ละด้วยการพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามางต่างๆถ้าละอสุภะได้ก็จะ ละสังโยช์สองข้อนี้ได้ก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีขั้นที่สามได้ขั้นที่สี่ก็เหลือสังโยชน์อีกห้าข้อเรียกสัญญาสังโยชน์เบื้องบนก็รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธะอวิชาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทมขั้นสูงที่จะต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจเอามาพูดก็อาจจะไม่เข้าใจอยู่ดีก็เลยไม่อยากจะพูดมาก จรงแต่ให้รู้เข้าๆก็แล้วกันว่าสามยอดสิบข้อที่เราจะต้องละนี่มีอะไรบ้างตอนนี้เรายัางละสามข้อแรกไม่ได้ก็พุ่งเป้าไปที่สามข้อแรกนี้ให้ได้ก่อนแล้วได้สามข้อแรกนี้แล้วค่อยไปพุ่งเป้าไปที่สองข้อพุ่งไปทีละขั้นทีละขั้นไม่ต้องรู้ทีเดียวพร้อมกันหมดแล้วรู้ได้แต่ทําได้หรือเปล่าถ้ายังทําไม่ได้ก็ทําทีละขั้นไปข้ามขั้นไม่ได้อันนี้คือเรื่องของ การที่สร้างพระอารหันต์ขึ้นมาต้องสร้างด้วยการศึกษาจากพระอารหันต์ด้วยกันแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุทำขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอารหรันต์เมื่อได้เป็นพระอารหันต์แล้วก็มีความสามารถมีเวลาที่จะมาเผยแผ่สั่งสอนทำมันประเสริฐให้แก่ผู้อนกทอดหนึ่งแล้วก็จะทําให้มีพระอารหันต์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปเป็นเวลาอันยาวนานอันนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาคือเนื้อของาศาสนาไม่ใช่เปลือกเราไม่ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรและวัตถุต่างๆไม่ต้องสร้างพระพุทธรูปสร้างพระอาหารหันต์ขึ้นมาเบื้องต้นก็คือพระอาหารหันต์ในตัวเราก่อนเมื่อเราเป็นพระอาหารหันต์แล้วเราก็สามารถไปสั่งสอนให้ผู้อื่นเขาเป็นพระอาหารหันต์ได้ตามลําดับต่อไป นี่คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ให้ท่านเข้าใจให้รู้ว่าเนื้อหาความเนื้อแท้ของศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นเนื้อเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหลงไปกินเปลือกกันกินเปลือกมันไม่อร่อยเท่ากินเนื้อนะรับประกันได้ไม่เชื่อลองไปกินเปลือกทุเรียนกับกินเนื้อทุเรียนดูว่าอันไหนจะอร่อยกกันอันนี้ก็เหมือนกันกินเนื้อของศาสนากับกินเปลือกของศาสนาอันไหนมันจะ ประทับใจก่อนเราเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติดูการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจาขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวามวะอิโตทินังเตตานาังอุ ป, ปกปัรปฏิ เอติตังปฏทิตางตุมหังคิดเปเมวะสมิชาตุสัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภาวะตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ าพิวาทนาสีิทธานิจังวุธาปจายโนจาตารธรรมาวาทานติอายุวันโสุขังภาลาัาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามหรืออยากจะพูดอะไรช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ เหมาะที่สุดแต่หลังจากที่เราเลิกแล้วขออนุญาตไม่ไม่ตอบคำถามไม่คุยกันนะเพราะว่ามีกิจกรรมยอย่างอื่นต้องทำไม่สะดวกถ้าอยากจะคุยอยากจะถามอะไรเชิญเข้ามาถามได้ในตอนนี้เลยถ้าไม่อยากจะเข้ามาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือเดี๋ยวนี้มีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจได้ทางเพจทาง u t ท b e ได้ ด้าจะมีทีมงานจะเอานมอ่านให้ท่านได้ยินได้ฟังกันวันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดหมีเท่าไหร่ค่ะจาก Facebook 538 YouTube p r e s i o u s Life 244 YouTube Dr. V 118วิทยุออนไลน์ 8, 8. Clubhouse 12ผู้รับฟังหน้ากุติ115รวม 1,035 ท่านค่ะ เ้า okay. มีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณนกสุพิชาจากการเทศและข้อสรุปธรรมะเมื่อวานนี้ที่โพส์ในลน์หนูยังไม่ค่อยเข้าใจแจมแจ้งหนูขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาขยายความสองประเด็นค่ะประเด็นที่หนึ่งการเจริญสติคือการนั่งหลับตาพุทโธพุทโธหรือการเดินจงกรมค่ะ ทัหมดเลยการเจริญสตินี้ทําได้ในทุกิริยาบุตรไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองสามารถเจริญสติคือคอยหยุดความคิดนั่นเองอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธดึงเ อ, อกไปถ้าเรามีคําบริกรรมพุทโธอยู่ในใจเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นี่คือการเจริญสติ เวลานั่งสมาธิหลับตาก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติแต่เพื่อให้มันเข้าสมาธิเพราะถ้าอยู่ในเวริยาบนอื่นมันเข้าสมาธิไม่ได้เพราะว่าใจยังมีการทำงานยังมีการควบคุมมีการสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆอยู่ใจยังไม่นิ่งฉงนั้นต้องทำให้ร่างกายนิ่งก่อนพอร่างกายนั่งอยู่นิ่งๆก็แสดงว่าใจไม่ต้องทาหน้าที่สั่งร่างกายแล้วที่ก็สามารถที่จะสั่งให้ใจหยุดคิด แล้วก็เข้าสู่สมาธิได้เต็มอย่างเต็มที่ก็ต้องใช้การเจริญสตินี้เช่นเดียวกันเราจึงต้องเจริญสติก่อนมานั่งถ้าเราไม่เจริญก่อนมานั่งเวลามานั่งมันจะไม่มีสติหยุดความคิดนั่งไปก็จะไม่ได้ผลอะไรเพราะใจจะฟุ้งซ่านไม่สงบนั่นเองประเด็นที่สองการเจริญปัญญาคือการทำอย่างไรคะ เนื่องจากฟังธรรมหลากหลายและครูบาอาจารย์บางท่านจะเทศว่าไม่ต้องเจริญสติทำสมาธิเดินปัญญาได้เลยค่ะอ๋ออันนี้เราก็ไม่อยากที่จะไปพาดพิงถึงผู่นะแต่ตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสอนท่านก็สอนให้เราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปเจริญศีลแล้วก็ไปเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพราะท่านบอกว่าศีลที่ ศีลจะช่วยอบรมสมาธิสมาธิจะช่วยอบรมปัญญาปัญญาจะช่วยทำให้จิตหลุดพ้นจากของทุกข์ทั้งปวงมันเป็นขั้นมันสนับสนุนกันในการสร้างอาคารต่างๆเราไม่ได้สร้างเริ่มต้นที่หลังคาเลยใช่ไหมอเอาไม้ค้ำยันวางไว้แล้วก็ไปสร้างหลังคาเลยพอเอาไม้ค้ำยันออกมันก็ล่มลงมาแ้วเราต้องสร้างที่รากฐานก่อน ตอกเสาวเข็มก่อนใช่ไหมถ้าดินมันไม่แข็งตอกเสาเข็มแล้วก็สร้างฐานรากที่จะรองรับเสาที่จะรับน้ําหนักของตัวอาคารมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนกันไปศีลก็รองรับสมาธิสมาธิก็รองรับปัญญาปัญญาก็รองรับการหลุดพ้นจากการกัจจความทุกข์ทั้งปวงเราไปอ่านดูนะภาษาบาลีท่านมีแสดงไว้ที่ท่านแปลท่านแปลว่า สมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วมีอนิสงส์มากมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วมีคุณมีประโยชน์มากจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วย่อมดุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวเนี่มันเป็นขั้นกันมันสนับสนุนกันยั้นใครบอกว่าไม่มีสมาธิแล้วไปทางปัญญาได้ก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติพูดง่ายๆถ้าคนปฏิบัติแล้วเขาจะไม่มีใครพูดอย่างนี้ คำถามฝากถามคำถามที่หนึ่งความเหงาเกิดจากอะไรควรจะแก้วิธีใดครับเวลาทำงานไม่เหงากลับห้องแล้วเหงาบางทีซึมเศร้าครับไม่เหงาเพราะอยากทำนู่นทำนี่อยากมีอะไรทำอยากมีอะไรดูอยากมีอะไรฟังอยากมีอะไรคุยพอมีอะไรทำมันก็ไม่เหงาพอไม่มีอะไรทำมันก็เหงาวิธีจะทำให้ไม่เหงาเวลาไม่มีอะไรดูอะไรฟังก็ทำจิตให้นิ่งนี่เ ถ้าทำจิตให้สงบแล้วอาการเหงาจะไม่มีจะชอบอยู่คนเดียวออร์โลนบัตเนตดงลี่ภาษาฝรั่งอะไอยู่คนเดียวได้ยังไม่เหงาทำไมเร า, ราบวชมาตั้กี่ปีเราอยู่ของเรามาคนเดียวตลอดไม่ต้องวิ่งไปหาคนนั้นคนนี้หาเพื่อนหาอะไรมันถ้าจิตมันสงบแล้วมันไม่มันไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยที่ทำให้มันเหงาเวลาที่มันไม่ได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆงั้นมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันตามจิตให้สงบแล้วต่อไปจะไม่เหงาอยู่คนแล้วอยากจะอยู่คนเดียวพออยู่กับคนอื่นแล้ววุ่นวายเรื่องเรื่องราวมากมายมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีเวลาดีก็ดีไปเวลาไม่ดีโอ้ปวดศรีรษนะคําถามที่สอง ไปหลงรักชอบคนมีแฟนพยายามตัดใจแต่เลิกไม่ได้ทั้งๆาที่เขามีทั้งทางที่เขาไม่ได้ชอบเราทําให้รักข้างเดียวรู้สึกเศร้าจะทําอย่างไรดีครับก็มันมีหลายวิธีเราจะพิจารณาสุภาพิตได้เปล่าดูอาการส2ของเขาได้เปล่าเห็นอาการต่างๆในตัวเขาเห็นความแก่ความเจ็บความตายของเขาได้หรือเปล่า ก็ต้องเห็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถาวรแล้วก็ความไม่แน่นอนอย่างพิจารณาความไม่แน่นอนอได้เขามาแล้วแต่เขาอาจจะลบเขาอาจจะดีแอไปรักใครไปชอบใครขึ้นมาแล้วเราจะทํำยังไงยิ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหญ่ทุกไม่มีดีกว่าไม่มีมกอกจะได้ไม่หักใช่ไม้มถ้ามีแล้วเขาเกิดเขาแอบไปมีแฟนใหม่เราก็จะอกหักเราก็จะเสียใจอาจจะไป ทำบาปทำกรรมก็ได้ถ้าเขาไปนอกใจเราเนี่ถ้าเราทำใจไม่ได้อาจจะไปท่าเขาทำบาปไปตกก็ลอดให้คิดถึงผลที่จะตามมาคำถามที่สามแต่ละวันมันไม่มีความสุขทั้งที่ภาระนี่สินก็มีไม่มากตัวคนเดียวแต่หาความสุขไม่มีเลยครับจะทำอย่างไรดีครับถ้าไม่ทาไม่ทำสมาธิมันก็ไม่มีความสุข ทำสมาธิ่ะแล้วก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างความสุขที่ได้จากสิ่งต่างก็สุขแค่ขนาดที่เราได้เห็ได้สัมผัสเช่นได้ไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านก็เหงาอีกละหมดไปแล้วแต่ถ้าเราฝึกสมาธิได้นี่เราก็สามารถทำสมาธิได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนจะคุณมาลัย ตั้งแต่จิตหนูรวมเป็นสมาธิภายในจิตก็มีแต่พุทโธจิตไม่เคลื่อนออกไปไหนเวลาพูดคุยกับใครก็แค่รับรู้ไม่มีอาการกับจิตภายในเวลาต่อมามันรู้สึกว่ากระดูกมันนอนจิตรับรู้เห็นกระแสเลือดภายในร่างกายมีลมเข้าลมออกเวลาเดินจงกรมมันเหมือนกับเดินบนอากาศ พระธรรมคำสอนอยู่ในจิตนี้ทั้งหมดและรู้สึกว่าไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่คุยอะไรพระอาจารย์มีอะไรจะแนะนำหนูไหมคะก็ก็รักษาใจให้เป็นปกติอย่าไปทุกข์อย่าไปวุ่นวายกับเขาด้วยธรรมะที่เรามีอยู่นี่รักษาใจให้เราสงบในทุกกรณีไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจ ทีว่าเป็นเรื่องของการปรากฏการทางธรรมชาติที่เราไปยับยังไปห้ามไม่ได้ไก็ปล่อยเป็นไปตามเรื่องเราคุณจุธารัตน์ขณะเดินจงกรมถ้ามีสภาวะธรรมชัดเจนกับ ส, สภาวะธรรมไม่ชัดเจนได้บุญเท่ากันหรือไม่เจ้าคะ่ะคือการปฏิบัตินี้เราต้องการความสงบสงบมากสงบน้อยสงบมากก็บุญมากสงบน้อยก็บุญน้อย งั้นดูที่การสงบก็จะรู้ว่าได้บุญหรือไม่ได้บุญถ้าเดินตรงกลมแล้วฟุ้งซ่านก็สแสดงว่ายังไม่ได้บุญยังไม่สงบคุณรงชัยเป็นคนใจร้อนหงุดหงิดใจง่ายทั้งที่ปฏิบัติมาพอควรก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรควรจะปฏิบัติอย่างไรใช้ปัญญาอย่างไรจึงจะแก้ไขได้เร็วครับไม่ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่อง และสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องก็คือสติต้องพยายามคอยควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะว่างจะเบ า, จะ เ, บาจะเย็นจะสบายใช้ปัญญายังไม่ได้หรอกให้ปัญญาเดี๋ยวยิ่งฟุ้งใหญ่พิจารณาเพราะมันไม่มีจุดที่ที่จะหยุดปัญญาไม่รู้จะหยุดตรงไหนต้องให้มีสติหยุดใจให้มันสู่สภาพของความสงบก่อน และทีนี้ก็ใช้ปัญญารักษาให้ใจอยู่ในความสงบต่อไปเวลามันจะออกจากความสงบไปในเบื้องต้นต้องใช้สติหยุดหยุดความคิดทําใจให้สงบให้เย็นสบายก่อนแล้วต่อไปเวลามันจะออกจากความสุขความเย็นสบายนี้ก็ใช้ปัญญาดึงมันกลับมาคุณอรณิชา ช่วงเวลาที่ทานข้าวหรือดื่มน้ำถ้าหากโยมอธิษฐานเชิญดวงจิตของพ่อแม่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมาทานด้วยกันท่านทั้งหลายจะได้ทานด้วยไหมเจ้าคะ่ะถ้ามาก็ไม่ได้อยู่ดีเขากินอาหารที่เรากินได้ที่ไหนเนาะเขากินอาหารทิพย์ถ้าอยากให้เขากินเราก็ต้องทาบุญส่งอาหารทิพย์ไปให้เขาบุญที่เราทานี้เป็นอาหารทิพย์ <c oughs> คุณการชนาเจ็บป่วยพาตัดกระดูกใส่เหล็กในร่างกายเกิดใจซึมเศร้าท้อแท้อยากตายควรจะวางใจอย่างไรเจ้าคะทำใจสงบหยุดคิดหยุดตรุงแต่งนะแต่พิจารณาว่ามันยังไม่ตายก็อย่าไปให้อยากตายความอยากตายก็เป็นกิเลสทำให้ทุกข์ได้ความไม่อยากตายก็เป็นกิเลสนั้นต้องทาใจเฉยๆระวงังความอยากตายกับความอยากอยู่ อย่าให้มันมีทั้งสองอย่างอย า, อยากอยากอยู่และแต่ก็อยากอยากถ้ายังไม่ตายก็อยากอยากไปอยากตายถ้าจะตายก็อยากไปอยากอ ย, กอยู่ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่เสืมเศร้า <c oughs> หมแล้วเล <c oughs> โอเคหมอมีอะไรไม้มหมอ <c oughs> วันนี้อยากจะเพิ่มเติมอะไร ห, หรือเปล่าไม <c oughs> ่มีนะประมาณนี้ฟังเข้าใจไหมเข้าใจโอเค มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะอย่าอย่ามาถามตอนที่เราเลิกก็นะเพราะว่ามันไม่สะดวก ม, มีคําถามก็ถามต่อได้ค่ะคุณบิวฟินแลนซ์ครับทุกครั้งที่ออกจากสมาธิเราควรใช้ปัญญาพิจารณาทุกครั้งไหมครับแม้ว่าจะเป็นแค่คณิกะสมาธิถ้าคนณะค่าสมาธิยังไม่มั่นคงยังไม่มากควรสร้างฐานสมาธิให้มันมากดีกว่าให้มัน ถ้าเป็นต้นไม้ให้มันเป็นต้นใหญ่มีแผ่แผ่ความร่มเย็นให้มันกว้างๆให้จิตมีอุเบกขานานๆเวลาออกมาจากสมาธิแล้วค่อยพิ จ, จารณาให้ชำนาญทางสมาธิก่อนถ้าไปพิ จ, จารณาครั้งต่อไปอาจจะเข้าสมาธิไม่ได้เพราะว่าไปใช้จิตให้คิดพอจะหยุดให้มันคิดมันหยุดไม่เป็นนะเอไปสอนให้มันคิด ในเบื้องต้นต้อ ง, องหัดหัดหยุดคิดให้ได้ก่อนจนสามารถสั่งให้มันหยุดคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการหลังจากนั้นเราถึงค่อยสั่งให้มันคิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์คือเป็นเรื่องของปัญญาต่อไปในเบื้องต้นยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรควรจะฝึกสมาธิให้ชำนาญให้สามารถเข้าสมาธิเข้าออกได้ทั้งวันก่อนต้องฝึกสมาธิให้จิตเย็นด้วยสมาธิไปทั้งวันก่อนแล้วถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไป คุณวินัยเวลาที่กําลังทำงานเราจะเจริญสติอย่างไรครับก็อยู่กับงานที่เราทำก็จะเจริญได้ครึ่งเดียวคือให้จิตอยู่กับงานแต่ยังต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ถ้าจะได้สติแบบสมบูรณ์ต้องไม่คิดด้วยให้รู้เฉยๆว่าเรากาลังทาอะไรแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดมันก็ก็ต้องคิดคิดมันก็ยังไม่ได้หยุดความคิด ยังไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสติก็ได้ถ้าจะเป็นสัมมาสตินี้ต้องอยู่เฉยๆต้องรู้ต้องรู้เฉยๆนับไม่คิดคุณมาคาสีคำพยากรของพระพุทธเจ้าว่าอีกห้าพันปีศาสนาพุทธจะหมดไปหากเรายังไม่บรรลุธรรมจะทำอย่างไรเจ้าคะก็ต้องก็ต้องรอต่อไปอเหมือนรถ รถเที่ยสุดท้ายไปเชียงใหม่ออกไปแล้วคุณมาไม่ทันคุณจะทําทไงคุณตีตั๋วไม่ทันก็ต้องรอเที่ยวต่อไปรอพระพุทธศาสนายุคต่อไปหรืออาจจะศาสนานี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดคุณตายไปแล้วคุณกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือยังมีพระพุทธศาสนาอยู่คุณก็มาศึกษามาปฏิบัติต่อแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกแล้วคุณก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ารูปใหม่มาปรากฏแล้วมาตั้งศาสนาใหม่ สาธกาค่ะมิจฉาสติกับมิจฉาสมาธิคืออะไรค ะ, ะมิจฉาสติก็อย่างที่พูดนะเป็นสติที่ยังคิดเนี่ยรู้อยู่แต่คิดคิดตรงนั้นคิดตรงนี้ไปท่านยังคิดอยู่มันก็ไม่นิ่งส่วนมิจฉาสมาธิก็สมาธิที่ไม่นิ่งค่ะสมาธิที่ไม่อยู่กับอเบกขาจะเป็นสมาธิที่ออกไปเที่ยวในโลกทิพย์ไป ไปพบกับเทวดาไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ไประลึกชาติได้ไปอ่านวาลจิตของคนอื่นได้ติดต่อกับเทวดาได้ในทงนอง น, นี้คือมิจฉาสมาธิเพราะว่าเป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนปัญญา<ม>พระพุทธเจ้าไม่ไม่เน้นให้เราไปทางนี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิถึงแม้ว่าจะเป็นของมหัศจรรย์ เพราะทำให้เราสามารถคุยกับเทวดาได้เราเลึกถึงชาติก่อนๆได้แต่ความรู้เหล่านี้มันไม่มาช่วยเราดับกิเลสได้เนั<ม>้นถ้าเราไปเสียเวลากับอุปจารสมาธิเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นจะไม่สามารถขึ้นสู่ระดับอริยมรรคกิริยผลได้<ม>แต่ถ้าเราบรรลุแล้วนี่ถ้าเรามีความสามารถที่จะเข้าสู่อุปจารสมาธิได้ เราก็อามาใช้ประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ใช้อุปจารสมาธิเวลาแสดงธรรมให้กับเทวดา <Yes. S 1> ที่ใบปรดพุทธมารดานี้ยถ้าไม่ได้บินขึ้นไปนะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ติดปีกแล้วก็บินขึ้นไปถูสวรรค์ท่านก็เข้าอุปจารสมาธิแล้วก็ไปติดต่อกับมารดาที่เป็นเทพไปแสดงธรรมให้พระมารดาและเทพทั้งหลายฟังจนบรรลุเป็นพระสุวดาบรรด้ mm. อันนี้จะเป็นประโยชน์ หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็สามารถมาใช้ประโยชน์ให้ช่วยั่ว ก, กายทิพย์ได้ผูว ก, กายทิพย์ก็ต้องรอพระที่มีความสามารถที่จะเข้า อ, อุปจารสมาธิได้ในยุคปัจจุบันนี้ก็หลวงปู่มั่นท่านก็เข้าได้ท่านก็จะมีการสอนเทวดาและลูกศิษย์ของท่านบางลูกก็เข้าได้เท่าที่ได้ยอยู่ประจารสมาธิเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่บรรลุนี่อย่าไปสนใจ มันจะทําให้เราหลงทางได้แล้วอาจจะถูกถู ก, กเดเรหลอกว่าเป็นธรรมวิเศษขึ้นมาเราจะไม่ปฏิบัติต่อก็จะมาหากินกับอุปจารสมาธิเป็นหมอดูหมอทํานายทายทักอดีตอนาคตอะไรก็ว่าไป <c oughs> อันนี้ก็ต้องระวังแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือคนที่จะเข้าอุปจารสมาธิได้นี้มีน้อยมากร้อยละห้าเท่านึงที่จะมีความสามารถ ส่วนใหญ่ก็จะไม่เข้าไม่รู้จักวิธีเข้าปัจจารสมาธิเพาฉนั้นถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องกังวลถ้ามีก็ต้องระวังอย่าพึ่งไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจถ้าเราเข้าได้วันหลังมันจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้<ม>แต่ตอนนี้เราต้องการให้อยู่ในอัปปนาสมาธิมากกว่าให้อยู่ในสมมาสมาธิให้จิตมีอุเบกขามากๆเพราะเราต้องใช้อุเบกขาหยุดกิเลสหยุดความอยากต่างๆ ไม่มีอุเบกขาหยุ่ไม่ได้คุณธนวันในขณะที่เราใส่บาตรต้องอุทิศบุญให้คนตายตอนที่กาลังใส่บาตรหรือไม่เจ้าคะคนตายถึงจะได้รับบุญค่ะออไม่หรอกใส่เสร็จแล้วค่อยอุทิศได้พอพระเดินผ่านไปแล้วเราก็เราเลือกภายในใจได้ไม่ต้องใช้น้าก็ได้หลับตาแล้วก็เราเลือกว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับพว้ที่ร่วงรับไปแล้ว คุณอรณิชามนุษย์ทุกท่านในโลกใบนี้สามารถไปนิพพานได้ทุกท่านไหมเจ้าคะถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติชอบได้ก็ไปได้อยู่ที่การปฏิบัตินะเพราะมนุษย์ทุกคนก็มีจิตเหมือนกันที่จะอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติก็ไปได้คุณทิติชยาหนูปฏิบัติเหมือนนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะว่าขึ้นชั้นต่อไปแล้ว อ, อ๋อเวลาได้สมาธิมันก็รู้แหละเวลาจิตนั่งแล้วมันไม่สงบพอมันสงบมันก็จะเห็นความแตกต่างกันว่าเป็นยังไงรักษาศีลได้หรือรักษาศีลไม่ได้มันก็รู้เองเวลาใครมาชวนไปขโมยของไม่ไปเงี่ยแสดงเราก็รักษาศีลได้มีคนมาชวนไปกินเหล้าเราไม่ไปกินอย่างเงี้ยเราก็รักษาศีลได้มันก็รู้อะ คุณสาวิตรีมีวิธีแก้ฟุ้งซ่านได้อย่างไรบ้างคะใช้สตินะใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธแล้วสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้แต่ต้องสวดยา ว, ยาวๆนานๆไม่ใช่แค่ห้านาทีสิ 10, นาทีสวดไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็หายฟุ้งซ่านเองทาให้หายฟุ้งซ่านก็อย่าหยุดสวดอย่าหยุดท่องพุโทโธพุธโทโธเป็นเหมือนยาต้องกินจนกว่าไข้จะหายพอไข้าหายแล้วเราก็หยุดกิน ความทุ่งสร้างก็ไปเหมือนไข่ของจิตเนี่ยเราก็ต้องกินยาธรรมโอสถคือพุทโธในการสวดมนต์ไป <c oughs> สวดแบบในใจไม่ต้องอยู่ในข่านั่งสวดมนต์ก็ได้ไม่ต้องพนมมือทำอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็สวดมนต์ไปคุณนุชราอยู่กับคนที่เขาไม่พูดด้วยมองข้ามความรู้สึกของเรามันอึดอัดมาก รบควรหลวงพ่อช่วยบอกวิธีหน่อยค่ะว่าจะต้องพยายามฝึกสติและสมาธิอย่างไรเพราะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดคิดเจ้าค่ะ อ, อ๋อดีแต่๋คิดว่าเขาไม่พูดกับเราดีเขาจะได้ไม่ด่าเราแล้วก็พูดกับเราเดี๋ยวเขาก็ด่าเรานดีแล้วที่เขาไม่พูดกับเราไปแกว่งไปแกว่งเท้าหาเสียนทำไมคนนี้ก็ไม่พูดกับเราเขาก็ไม่ด่าเราใช่ไหมงัม้นก็คิดอย่างนี้สิว่าดีแล้วไม่มีใครมาพูดกับเรา คุณสนันทำดีกับเขาตลอดตลอดแต่ว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่มีความสำคัญกับเขาควรจะถอยออกมาหรือปรับความเข้าใจหรือปล่อยวางดีครับก็แล้วแต่เราเราต้องการยังไงนะเราต้องการปรับความเข้าใจแล้วก็ปรับความเข้าใจเราต้องการถอยแล้วก็แยกทางกันไปก็แยกทางกันไปอันนี้แล้วแต่เราจะเป็นคนเลือกตัดสินใจเอาเองแต่ทางที่ดีก็คือไปคนละทางดีกว่า ทางใครทางมันอยู่าปรับความเข้าใจวันนี้เดี๋ยวมันก็เกิดความเข้าใจผิดในวันพรุ่งนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกไม่มีวันจบทางที่ดีเสียก็แยกกันไปคนละทางคุณนัต ด, ดาเวลาใส่บาตรหรือถวายของมือของเราได้เผลอไปโดนมือของพระสงฆ์เข้าเราไม่ได้ตั้งใจควรขอขามาต่อหน้าพระพุทธรูปที่บ้านาได้อย่างไรคะ อ๋อไม่ต้องเราขอขามาสติของเราก็แปลว่าต่อไปเราจะไม่เผอสติไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวกับสติของเราท่นั้นเองสติของเราเผยเราก็ต้องระมัดระวังทุกครั้งเวลาเราทําอะไรที่มันอาจจะทําให้เราทําผิดได้ก็ต้องถ้ามีความระมัดระวังมันก็จะไม่ผิดความระมัดระวังก็คือสตินี่หมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วก็เท่านี้ก่อนนะถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไร